เป็นไปเช่นเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์หลวงพ่อพุทธานิโยพระราชสังวรยานวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อพุทธตั้งใจออกบวช ด, ด้วยตัวเองเมื่ออายุ15ปีสอบนักธรรมตรีได้เป็นษาแรกสอบนักธรรมเอกได้เมื่ออายุเพียง18ปี สอบได้ปริญญาสีประโยคและออกธุดงตั้งแต่ยังเป็นสามเณรได้มีโอกาสเรียนวิปัสสนากรรมฐานเริ่มแรกโดยการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์เสากันตะศีโลและต่อมาจึงไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนในภายหลังปีพุทธศักราช2489หลวงพ่อพุทธอาพาธหนักเป็นวรณโรคจนหมอไม่รับรักษาแต่ได้หลวงปู่ฟั่นอาจารโร สอนให้เพ่งอาการ32โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มากหลวงพ่อพุธก็ตั้งใจนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาจนจิตรวมเป็นสมาธิในระดับที่ลึกและจิตก็แสดงความตายเป็นนิมิตให้เห็นจนเข้าใจในธรรมชาติของความตายไม่นานโรคก็บรรเทาด้วยธรรมโอสถจากการทำวิปัสสนากรรมฐานและต้องใช้เวลาถึง10ปีโรคจึงหายขาด โดยที่ไม่ได้พึ่งหมอใช้ธรรมะรักษาเพียงอย่างเดียวหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมายเป็นองค์อุปธรรมโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆบรรยายให้ความรู้ด้านการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาให้กับนักเรียนนักศึกษาองค์กรและบุคคลทั่วไปหลายจังหวัดการสอนของหลวงพ่อพุทธ เน้นการขัดเกลาวเพื่อความหลุดพ้นการทำสมาธิเจริญสติเป็นหลักคำสอนของท่านมีทั้งขั้นสูงและระดับง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเป็นพระสายวิปัสนาที่เคร่งครัดมีจริยาวัดที่งดงามสมถะสันโดษเรียบง่ายเป็นที่ยอมรับนับถือของคณะสงฆ์และนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเป็นพระแท้ที่กราบได้อย่างสนิทใจ หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยมรณภาพในวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542สิริอายุ78ปีติดตามฟังเกล็ดคำสอนของหลวงพ่อพุธซึ่งจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้ดาวนโหลดได้ฟรีที่ j จโ h o n e t เช่นเดียวกันนะครับ